สุธรรมอันรู้จีโปรดปว่งประชาทิท่านจงโปรดสแดงทมขอนิมูลท่านเจ้าค่ะ ชามเลืดลามโปรดแสดงพระสาธิเทศนาเลว่าทิมเพื่อหาสําเร็จโพ ชนชนามีสุสุกเกสี นานเจ้ า, าเสียงเกล่าวอรัธนาธรรมเสียงไพเลาะผ่อพิงวันนี้เป็นงานหนึ่งนับแต่เมื่อวานเริ่มงานวันที่ยี่สิหกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ห้าสบงานสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เป็นปีที่18น้อมรำลึก80ปีชาตการหลวงพ่อทูลคิปปัญโยอีกด้วยนะเป็นงานเพราะว่าถึงยังไงงานสงภะทศหลวงพ่อทูลของเราท่านให้ความสำคัญอย่างมากทำไมเมื่อท่านยังสรงาธาตุขันอยู่ เพราะนั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพวกลูกหลานคณะสัายาติโยมก็เอาวันที่ส่งพระธาตุแล้วก็ลำลึกถึงที่ท่านมรณภาพด้วยคือเป็นเป็นถ้าหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นะปีนี้ก็เป็นปีที่80ดสอายุของท่านครบ ครบ80ปีผลานคณะรัทย า, ญญาติโยมโลูกหลานจึงได้พร้อมใจจัดงานขึ้นนะเจดีของท่านนะที่วัดปา่าบังบ้านข้อตำบลเขื่อนน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเนะีวันนี้นะแล้วก็ปีที่แล้วหลวงพ่อเองก็ได้มาแสดงธรรม ที่ที่นี่นะปีนี้ก็มากับคณะพบกับคณะสัตยาติโยมลูกหลานอีกเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาพราะนั้นปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งแต่ต่อไปภายภาคหน้านักนักสัตยาติโยมลูกหลานนะปีต่อไปภายภาคหน้า หลวงพ่อคงจะแก่ไปเรื่อยๆนะอา่าอาจีว่าได้มาพบกับลูกหลานเพราะปีนี้ก็อายุหลวงพ่อกเจ็ดสิบแล้วนะเอเป็นน้องของหลวงพ่อทูนปู่ทูนของเราสิบปีนะเพราะนั้นหลวงพ่อจะไปที่ไหนก็เริ่มลำบากเข้าไปเรื่อยๆละแต่ถึงยังไงก็ยังคิดถึง ท่านอาจารย์พระครูของเราเจ้าคณะอำเภอที่เป็นน้องนุ่งของหลวงพ่อนะอพอท่านนิมนต์หลวงพ่อกันได้หมายตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาในงานของหลวงพ่อทุนของพวกเราแต่าตามไม่จริงวันนี้ก็นูน่นทางบ้านเมืองทองกรุงเทพเขาก็นิมนต์หลวงพ่อ เพราะนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อตาหาว่ารับนิมนต์คงจะไม่ได้อยู่วัดหลวงศรัทธายาิโยมเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็รู้สึกว่าที่ผู้มีอายุพันศาคนะงจะมีไม่มากและก็รพร้อมกันคงนจะเป็นบุญบา ร, รมีของหลวงปู่เหลียน นพระราโพลุงปู่จันสมลุงปู่คำฟองลุงปู่คาพองฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆที่ท่านได้ไปโปรดญาติโยมทางกรุงเทพได้ไปวางลากฐานเอาไว้พวกเราก็เลยพลอยได้รดับมาในสงที่ท่านได้วางลากวางฐานเอาไว้แล้วนะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้พระ ทางครูบาอาจารย์ทางอีสานน้องนุ่งทางหลายก็ลงไปกรุงเทพมากพอสมควรที่หลวงพอ่อเองทราบเรรับรู้เร้รับทราบนะแต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อยอมแพ้นะพอหลวงพ่ออายุมากแล้วสุขภาพก็ <c oughs> ไม่ค่อยดีมันจะดีได้ยังไงเพราะอายุแกใช่ไหมล่ะเพราะนั้น แต่ถึงยังไงวันนี้นะหลวงพ่อก็ยังคิดว่าพวกงานนี้เป็นงานลำาลึกถึงในกลุ่มของเราในโซนของเราที่อำเภอบ้านผือน้ำโสมนายยงกดจับในโซนทั้งอีสานทางทา ง, ง, งอุด ร, รทางนี้นะถือว่างานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งที่งานจัดประจำ เป็นทุกปีเพราะนั้นคณะจตหายาติโยมลูกหลานวันนี้หลวงพ่อเองก็มาเห็นคณะจตหายาโยมแล้วก็อุ่นหนาฝาคั่งในงานของหลวงพ่อทูนของพวกเราเอาต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อได้ปรารภเรื่องงานแล้วก็ขอต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมในะนัที่นี้นะแล้วก็คณะจตหายาโยมลูกหลานผู้ใดถ่ายรูปนี้ที่มีแฝดก็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 บรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังฟังด้วยความฟังด้วยความตั้งใจจิตใจของผู้นั้นจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสอันนี้คืออ น, นิสงส์แห่งการฟังธรรมสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามายปัญญา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 ปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนํามากันกรองไต่ตองตัดสินใจในเรื่องนั้นๆั้ น, น, นก็เป็นอัดเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาพอเราจิตใจผ่านความสงบนิ่งแล้วในเมื่อนิ่งแล้วเราจะพิจารณาทางวิปัสสนาก็เป็นปฏิวิปัสสนาที่แท้จริง เพะนั้นสรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลายจะรู้สิ่งธรรมะขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแต่บางท่านบางคนพอไปทําบูรณะก็ไปถึงแล้วก็วกลับปลกปล ก, ปลกแล้วก็ไปวัดนั้นกลับปลกปลกแล้วก็ไปวัดนั้นหลวงพ่อมองเห็นแล้วก็ไม่น่าจะถูกต้องพอไปถึงวัดน่าจะไป ถามไทยหรือวิสนทธนาธรรมะจากเจ้าอาวาสของท่านท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่านจะแนะนาให้ทางในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมอย่างนั้นเป็นยิงจะถูกนะขะันศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างไงจะเฉลียวฉลาดได้อย่างไงเพราะนั้นต้องฟัง เพราะนั้นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งมากับฟังต่อไปกับฟังเรื่อยๆนะจากนั้นเราก็เข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ท่านก็จะจิบยกในธรรมมาพูดให้กับพวกเราได้ศึกษาได้ฟังองค์หนึ่งก็ยกในเรื่องหนึ่งเข้ามาให้พวกเราได้ฟังไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็คงจับ หยิบยกประเด็นหนึ่งในพระธรรมแปดหมพันพระธรรมมหานนั้นมาเล่ามากล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นนั้นที่นี้นะ <c oughs> <c oughs> นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพปะ ป, ปัปสสะอักระนังกุสระโสปสัมปดาสจิตตปริโยดปานังเอตังพุทธา น, นัสสาสนันติวันนี้นับว่า เป็นมกันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่คณะสัตย า, ญญาติโยมมีท่านอาจารย์พรชรูเจ้าวาดและท่านเป็นเจ้าคณะอำเภออำเภอบ้านผือร อ, อ, องลงมาจากทําหน้าที่ได้รับเป็นเจ้าวาดแทนอง์หลวงพ่ อ, พ อ, พ อ, พอทูลของพวกเราท่านได้ทำหน้าที่มาโดยตลอด หลวงพ่อก็ได้ชื่นชมในจิตใจว่าท่านทำหน้าที่แทนหรือว่าทำหน้าที่ได้ดีพอสมควรตามศัทธาที่ท่านทำได้เพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ท่านได้จัดงานมาแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จะไปจบงานวันที่สี่วันที่สี่มีนาคม เนี่ยวันนี้เป็นวันที่27นะคณะสัทธาญาติโยงลูกหลานท่านจัดมาตั้งแต่วันที่26แล้วก็วันที่20วันที่4่เป็นวันมาฆปูชาจากนั้นในสงพระธาตุเสร็เรียบร้อยแล้วก็คงจะจบในปีพุทธศักราช258พอเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญ คือวันสำคัญก็คือเนี่ยนะพวกเราจะเดินไปถึงวันมาฆะปูชานะคำว่ามาฆะปูชาพวกอนัสทาญาตโยมลูกหลานก็คงจะได้ยินมาพ่อมากพอสมควรทางวิทยุทางโทรทัศน์แล้วก็ทั้งครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่ได้แสดงธรรมท่านก็อธิบายให้ฟังคื อ, อทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถึงยังไงก็ตามนะ ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านหนึ่งอธิบายให้ฟังเราก็ยังไม่เข้าใจแต่พ่อท่านอธิบายให้ฟังอีกเราก็จะมั่นใจอธิบายเข้าใจในเรื่องที่ท่านอธิบายให้ฟังนั้นๆอย่างหลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังก็คือวันมาฆบูชาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชเกิดเมื่อพระพุทองค์ได้ตรรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ที่โคลนต้นโพนะพอพระ อ, องค์ได้สําตัดรู้แล้วพระ อ, องค์ก็ได้เสวยวิมุตติสุขในละแวกนั้นอ่ะในบริเวณต้นโพนะท่านอยู่ที่โคลนต้นโพอยู่ที่ขุนโพเจวันต้นนี้โครดคือตน้นไซเจวันต้นเจตเจวันส ะ, สะมุจจลินเจ็ดวันในละแวกนั้นอ่ะจากนั้นท่านก็ เมื่อท่านได้ตัดสรุ้เมื่อท่านได้ตัดสรู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อท่านได้เสวยวิมุตติสุขครบในบริเวณนั้นแล้วท่านก็นึกย้อนหลังว่าธรรมที่ท่านได้แสดงแล้วนั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นธรรมที่ทวนกระแสโลกโลกเข้าไปชอบไปทางหนึ่ง แต่ว่าทำคำสอนของท่านนั้นมันทวนกระแสที่ที่โลกเขาต้องการจากนั้นพระองค์ก็ท้อพระไทยทีนี่เอถ้าเราไปแสดงทำให้กับพี่น้องประชาชนชัติญาติโยมชาวโลกของเขาเนี่ยเขาจะรับได้ไหมนี่เ พ, นนเพราะนั้นพระองค์จึงท้อพระไทยไม่อยากจะแสดงธรรมพอจากนั้นพรม ดุวเทวดาทั้งหลายก็รู้วรจิตของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์จะน้อยทอปัสัยจะไม่แสดงธรรมโปรดสัตว์เพราะฉนั้นจึงได้มีการกล่าวอาราธนาอย่างที่คุณโยมอราธนาศิลอาราธนาธรรมเมื่อกี้เนี่ยนั่ น, ะ น, นคือเป็นคําอาราธนาของพรมนะลงมากราบทูลพระพุทธเจ้ามาราธนาพระพุทธเจ้าว่า ผมมาจโลกาติปติสหมปติเนะี่ยคือพรหมกล่าวปรัชนาพระพุทธเจ้าวา่าผู้มีทุลีคือมีกิเลสเบาบางมีอยู่ถ้าหากว่าพระพุทธองค์จะแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์เหล่านั้นสรรพสัตว์เหล่านั้นผู้มีวิญญาณที่มีกิเลสเบาบางก็จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลมีอยู่ขอพระองค์โปรดมเมตตา แสดงธรรมเทศนาด้วยเทินลักษณะอย่างนั้น่ะในพระองค์ก็หลับรับอาราธนาของพรมจากนั้นท่านเมื่อรับอาราธนาของพรมแล้วท่านก็มองว่าเราจะไปโปรดใครก่อนเนาะเนี่ยจากนั้นท่านก็มองไปไปเห็นฉิพวกลือสีที่พระองค์เคยไปศึกษา กับฤาษีสองท่านเมื่อเมื่อท่านคิดดูแล้วฤาษีสองท่านก็พึ่งมรณภาพไปใหม่ๆหมัดห ม, ม, ด ม, ดมดัพระองค์ก็โอท่านหมดโอกาแออสแล้วฤาษีทั้งสองท่านดาราดบุตรุษกาดาบทจากนั้นท่านก็มองไปหาปัญจวัคคีทั้งห้าจากนั้นพระองค์ก็ได้เดินไป เดินทางไปถึงกรุงพระเมืองพารานสีไปถึงป่าอิสิปตนามิกคาทยวันจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาปโปรดปัญจวคีร์ทั้งห้ากล่าวถึงธรมกกรมประจักษกปวัตนสูตรจากนั้นก็อนัตตลกนัสสูตรสองสูตรปัญจวคีร์ทั้งห้าก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งห้ารูป จากนั้นก็ให้แยกย้ายกันไปแสดงไปโปรดไปคนลทัทิตต่างกันไม่ให้ไปทางเดียวกันเพราะว่าท่านจะให้พระพุทธศาสนาเนี่ยแพร่หลายขยายให้วงกว้างออกไปอากนั้นพระ อ, องค์ก็ไปทางหนึ่งท่านก็มองว่าเราจะไปที่ไหนก่อนท่านก็คงจะเข้าไปโปรดกรุงราชคฤห แต่ก่อนที่จะเข้าไปไปไ ป, ไปโปรดกรุงราชกุศลนะท่านก็มองว่ากรุงราชกุศลในพระเจ้าแผ่นดินหรือกรุงชาวกรุงราชกุศลเน่ยเขาให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสผู้ใดท่านก็มองเห็นว่เออพวกพระเจ้าแผ่นดินหรือกรุงราชาคุศลเนี่ยเขาให้ความสําคัญเขาให้ความเคารพในฉลินสามพี่น้องอุรุเวลานาทีขยากัสปะ 3พี่น้องเป็นฤาษีที่ตั้งสำนักอยู่ที่กรุงราชคฤหนะ์เนี่ยพระองค์ท่านก็วางแผนเหมือนกันนะคณะจาจัทธาญาติโยมลูกหลานนะก่อนที่จะไปโปรดท่านผู้ใดนะท่านก็วางแผนเหมือนกันจากนั้นท่านก็ได้เข้าไปโปรดชดิน3มพี่น้อง3พี่น้องน่งคือโอรุกเวลาคจปเนี่ยมีมีบริวารถึง0 0าน้อนาทีคจปะ มีบริวาร300ร้อขายากัะปะมีบริวาร2อ0รรวมแล้วตั้งสมพี่น้องมีบริวารทั้งหมดพัน0คนสกับหัวหน้าจากนั้นพระองค์ก็ได้ไปโปรดไปแสดงธรรมหรือว่าไปใช้อิทธิฤทธิ์พอทรงควรนะในจุดนี้นะแต่หลวงพ่อจะไม่อธิบาย หลวงพ่อจะพูดแบบร่วบรัดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าวางแผนไปแสดงธรรมอย่างไรจากนั้นท่านก็ได้โปรดอรุเวลานาทีขยากักปะสามพี่น้องได้สำเร็จเป็นพระหรหันพร้อมกับบริวารพันกับสามองค์จากนั้นพระ อ, องค์ก็เห็นว่าสดินยอมละเป็นลูกศิษย์แล้ว พระเจ้าพิมพิสารที่ปกครองกรุงราชสอุอก็เข้ามากราบมากราบฉดินพอมากราบฉดินฉดินสามพี่น้องเนี่ยก็พอพบตรงพาฉดินสามพี่น้องเข้าไปกรุงไปในเมืองกรุงราชสกุ อ, นะอพอไปแล้วพระเจ้าพิมพิสารเนะี่ยก็กระด้างกระเดืองเหมือนกันเ อ, เอสิทธะไอพุทธ <c oughs> เจ้านะพระโคตมะ <c oughs> พุทธเจ้ากับชดิน ใครเนะเหนือกว่ากันเพราะเขาเคารพฉดินมากกว่าตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่นมนานมาแล้วแล้วก็เห็นว่าพระพุทธเจ้ากับสิทธัตถ์กับฉดินสามพี่น้องเนี่ยใครจะเป็นอาวุโสและใครจะเหนือกว่ากันพระพุทธองค์รู้วาราจิตของพระเจ้าพิมพ์พิสารกับบริวารทั้งหลายพระพุทองค์ก็บอกว่ า, วาเอ อ, อรู้เวลา ท่านบริวารของท่านเขาสงสัยนะว่าเรากับท่านใครเป็นใหญ่ใครเป็นครูบาอาจารย์เพราะท่านท่านต้องแสดงให้เขารู้ว่าเราเป็นใครพระเจ้าขา่าจากนั้นท่านก็ลูกเวลาที่เป็นประธานเป็นพี่ชายใหญ่ก็บอกว่าประกาศขึ้นมาว่าเราทุกคน ยกย่องพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นเซตเป็นผู้น้อมอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูของพวกเราจากนั้นก็ ก, าการาบพอกราบเสร็จแล้วก็แสดงอิทิลิศคนทั้งหลายก็เห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าเหนือกว่า ท่านฉรินอุรุเวลานาทีขยากรสปากจากนั้นเขาก็สยบล้วแตนี่จากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงธรรมนะแสดงควาพูดยังไงเขาก็เชื่อหมดเท่นี่เพราะเหตุไรเพราะว่าเพราะเป็นท่านขนาดเป็นอาจารย์ของตัวเองทแท้ๆก็ยังยอมสยบเพราะนั้นพวกลูกศิษย์จะไม่สยบได้ยังไงเนี่จากนั้นบริวารของพระเจ้าพิมพ์ิสารบริวารของฉริน ทั้งสมพี่น้องนะก็ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเทศน า, าโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะแต่พระพุทธองค์ได้แสดงโปรดสดินสามพี่น้องนะท่านแสดงเรื่องอดดตะปริยายสูตรนะแต่ว่าเมื่อท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งสามพี่น้องแล้วขั้นก็มาปโปรดเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะ จากนั้นพระเจ้าพิมพิาสารก็เคารพนับถือเลื่อมใสและแล้วก็ถวายวัดป่าเวลุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศา ส, าสนาคือชาตว่าไปเลยเหมือนกับสวนลมพินีหรือว่าสวนลอเก้าอย่างนั้นคือเป็นสวนประจำประจำกรุงราชสกุรแล้วกากรุงสวนป่าไม้ไผ่สวนเวลุวัน ป่าไม้ไผ่จากนั้นถวายกับไว้ในพระพุทธศาสนาคือร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้เสด็จประทับอยู่ในป่าพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ถวายแผ่นดินจุดนั้นแล้วก็เทน้ําทักขีนโนทกเป็นสักขีพยานมอบไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวัดป่าเวทุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาจากนั้นพระสง์ก็เข้าไปอยู่ พำนักอยู่ที่วัดป่าเวทุกวันเมื่อพระสงฆ์มากขึ้นทีนี่พระองค์ก็ได้ประกาศพระศาสนาบนรรดาลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งโกลยันโกลธัญญพัพติยะมหานามั จ, จัจฉิแล้วก็ลูกศิษย์มีมากมายที่ไปแสดงธรรมไปโปรดศรัทธาญาติโยมเกิดความเคารพนับถือเริ่มใสปบดในพระพุทธศาสนาเป็นจานวนมาก พอคนจํานวนมากเข้ามาแล้วท่นนี้มันเรื่องเรื่องมันก็มากนะท่านนี้เออมันเรื่องเรื่องมันก็มากถ้าว่าบวชเข้ามาแล้วได้สาเร็จมรรคสำเร็จผลก็ไม่เป็นไรเพราะท่านได้สําเร็จมรรคผลแล้วก็ไม่มีปัญหาคนที่ได้สําเร็จมรรคผลนะเรื่องมันน้อยนะไม่มีแต่ผู้ที่ไฟในการบุญการกุศลไยในคุณงามความดีอันนั้นก็เรื่องก็ไม่มากแต่ผู้มันไฟพอบวชเข้ามาแล้วใยทางโลกในทีเท่าไหร่ อยากจะได้ลาบอยากจะได้ยศอยากจะได้สรรเสริญอยากจะให้คนยกย่องตัวเองออกไปทางโลกเท่เรื่องมันจุ่งเลยเทไเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเห็นว่าควรจะมีกฎควรจะมีระเบียบควรจะมีวิญัยควรจะมีกฎกติกาปกครองสงฆ์จะทำยังไงจากนั้นพระองค์ก็คิดบัญญัติบัญญัติวิญัย ปกครองสง์ขึ้นมาเขาว่าตั้งกดรัฐธรรมนูญปกครองสงจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ประทับอยู่ที่วัดป่าเวลุวันแต่พระ อ, องค์พระ อ, องค์คงจะโทรจิตอันนี้ก็สุดแท้แต่พ่อไม่มีโทรศัพท์เหมือนทุกวันนี้นะถ้าโทรศัพท์อย่างทุกวันนี้ท่านคงจะโทรศัพท์ไปบอกองค์นั้นบอกองค์นี้มาประชุมกันที่วัดป่าเวลุวันตอนบ่ายฮ แต่นี้พระ อ, องค์ไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรในยุคสมัยนั้นก็เป็นโทรจิตนะหลวงพ่อว่านะอันนี้เป็นคําคิดความเห็นของหลวงพ่อนะจากนั้นพระ อ, องค์ก็เออเอาพระสงฆ์ทั้งหลายผู้แตกฉานในปฏิสัมพิธาญาณมีญาณรัตน์ขอใหมาร่วมกันประชมุมพอพระพุท อ, องค์มองดูในอดีตพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อน ก่อนทีพ่พระพุทธองค์อุบัติขึ้นในโลกคือมีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนยังวัากากักจันโถโกนะขมโนกัจโปพระพุทธเจ้าของเราในโคตโมนะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนเขาจะมีการประชุมพระสาวกมีครั้งหนึ่งที่จะบัญญัติเกี่ยวกับวิ น, นัยแต่นี่พระพุทธเจ้าเราก็มองดูเออเราก็ควรจะนิมนต์พระสงฆ์มาพร้อมๆกันบัญญัติวิ น, นัย จากนั้นพระ อ, องค์ก็ น, นัดวันเดือนสามเพนนิน่ะเป็นวันที่วันที่สีที่จะถึงนี่น่ะอันนี้พระ อ, องค์ก็ น, นัดพระสงฆ์พัองรอยห้ารูปพันองรอยห้ารูปพระสงฆ์มาพร้อมกันในเวลาบ่ายโดยที่ไม่ได้นัดแน่คือไม่ได้ไปนิมนต์มาแต่มาเองโดยพร้อมเพียงกัน พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นอเอกเหหิภิกขุคือบวชพระพุทธเจ้าบวชให้เองพระพุทธเจ้าเป็นองค์บวชให้พระสงฆ์เหล่านั้นเอกเหหิภิกข u อุปสัมบทาจากนั้นพระสงฆ์ได้มาพร้อมกันได้เมื่อมาพร้อมกันแล้วพระองค์ได้ประกาศบอกแนวความคิดให้กับพระสงฆ์เหล่านั้นขึ้นมา อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นพุทธภาสิต ท, ที่ว่าสัปปะปาปัสะอะการะนังการไม่คิดทับการไม่คิดทาบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสูประสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสัจจิตประโยชนปานังการที่ทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วให้หลุดพ้นจากอาสวะกเเลตหนึ่ง เอตังพุทธานศสาสนังนี่คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะนั้นการที่พระพุทธองค์จะบัญญัติวินัยหรือบัญญัติสินขึ้นมาเนี่ยท่านจึงตั้งเป็นคำพูดขึ้นมานโอวาทะปฏิโมกตัวนี้ะขึ้ น, ข, นขึ้นว่าสัพ ป, ป, ป, ปาปัสสะาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุสัลสูปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสัิะประโยชน์ปานัง การทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วหนึ่งเอตังพุทธานะสาสนัง น, ะนี่แหละจากนั้นพระองค์ก็บัญญัติวิธไหนขึ้นมาปกครองสงสวดพระปฏิโมกนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของพุทธะที่วันมาฆบูชานะเป็นมาอย่างไร น, ะนี่แหละความเป็นมาของวันมาฆบูชาคนะณะจตหายาติโยมโลูกหลานทุกคนอันนี้คือจัดว่าเป็นศีล น, นะศีลของพระสงฆ์ต่อมาก็องค์ไหนทําผิด ท่านก็บัญญัดภายในปกครองสงมาเรื่อยๆจนถึงศีลส2งรที่สวดมาที่สวดในพระปฏิโมกขุกกลึงเดือนทุกกลึงเดือนสิบห้าคัมสิบสี่สิบห้าคัมที่สวดทุกกลึงเดือนสวดพระปฏิโมก ค, คือทบทวนศีลของพระสงฆ์อันนี้คือเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็ยังสวดอยู่ ถ้าพระครบสีองค์แล้วก็ต้องสวดพระปฏิโมกถ้าพระไม่ครบสี่องค์ก็ไม่สวดถ้าพระครบสีองค์ก็สวดถ้าไม่สวดปฏิโมกข์นี่ปรับอาบัตนะิเป็นโทษนะเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้พระสงฆ์ทั้งหลายยังนำมาประพฤติปฏิบัติกระทั่งทุกวันนี้นะแล้วเรพราะเหตุไรเพราะเหตุไรสนศีลของพระพุทธเจ้าจึงคงทนถึงขนาดนี้ทาไมไม่ แต่เปลี่ยนไปทางอื่นเพราะว่าพระพุทธเจ้ากับพระรหันต์ล้วนแล้วจะเป็นพระขี่นาศกคือเป็นพระรหันต์พระพุทธเจ้าเป็นประธานพระสงฆ์พันสรู้นั่นก็เป็นพระรหันต์พระพระหันต์หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะท่านบัญญัติศินและวินัยขึ้นมาเป็นศินอันบริสุทธิเ์เป็นศินที่ปกครองสง์เพราะนั้นหลวงพ่อจึง S <S ได้เตือนไปทางเมื่อวานบางก่อนหลวงพ่อยังได้เตือนไปทางทางท่านวิศนุเรือ ง, งามท่านบรวรสักดให้ดูแลกฎหมายในช่วงนี้หลวงพ่อเออให้ท่านทั้งหลายช่วยช่วยดูยกฎหมายก่อนที่จะแต่งตั้งกฎหมายขึ้นมาเนี่ยควรจะยกทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอะสัพ ป, ะ ป, ะ, ปะปัสสะกระหนังซะก่อนนะ คือไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่ให้มีสันทาคติโซโทภา ษ, ษาคติโมหคติพยาคติให้เป็นธรรมที่สุดนะจังบัญญัดกฎหมายขึ้นมาปกครองประเทศชาตินะถ้าว่าพวกเราทําทได้อย่างนี้ถึงกอบต่อไปภายภาคหน้ากฎหมายออกมาแล้วยังไม่พี่ไม่เป็นที่พอใจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปทางหน้าเขาจะเออใช่กฎหมายฉบับนั้นนะ่ะตั้งขึ้นมานะเป็นธรรม เขาก็จะนำกฎหมายที่เราได้ตั้งด้วยความเป็นธรรมเนะ่เอามาปกครองชุมชนต่อไปภายภาคหน้านะหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะัทธาญาดโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอันนี้คือสินและวินัยนะสินสำหรับฆราวาสญาดโยมก็คือสินห้ามีสินห้าสินสิบ สินห้าสินแปดสิลสิบสิอี่สิบอันนี้คือกฎกติกาหรือว่าศินการที่จะอยู่ด้วยกันได้ต้องเป็นผู้มีศีมีสินสินคุ้มครองนะอสําหรับครวญญาติโยมนสินห้าก็เพียงพอสําหรับการอยู่ด้วยกันคือไม่คิดฆ่ากันไม่คิดขโมยกันไม่คิ ด, ขคดเขารบสิทธิ์ในสามีภรรยาซึ่งกันและกันไม่โกหกกัน ไม่ดื่มสุราให้ขาดสติไม่ดื่มสุราคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนสิ่งไหนก็ตามถ้าดื่มด้วยเสพเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วแหละจึงจะไม่มีชื่อโอเดอร์อันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องจัดเข้าเป็นกลุ่มสุราทั้งนั้นกลุ่มที่ของมึนเมาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้คือสินคุ้มของโลกถ้าว่าพวกเรามีศิน ทั้งห้าข้อแล้วโลกทั้งโลกจะอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขถ้าหาว่าขาดสิลมากๆโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนพุ่นวายไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนพุ่นวายยิ่งกว่าคนที่ไม่มีสินที่อยู่ด้วยกันคิดจะสังหัดสังหารกันเหมือนกับพวกสัตว์สาราสิงพวกสิงโตพวกเสื อ, อพวกเสือดาวอยู่ในป่าดงพงพายอย่างนั้นน ะ, ะใครตัวไหนมีอานาจตัวไหนมีกาลัง กลุ่มของใครมีเหนือกว่าก็ทําร้ายทําร้ายกลุ่มที่ด้อยกว่านี่แหละถ้าคนอยู่ด้วยการถ้าไม่มีศีลแล้วจะเป็นลักษณะอย่าง <c oughs> เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าศีลห้า เ, เป็นศีลคุ้มของโลกจริงๆริเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะสัตธาธิโยมพทธบริษัททั้งหลายฟังโดยที่ที่หลวงพ่อได้พูดได้แสดงไปนี่นะอให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะั้ หลวงพ่อมั่นใจว่าศีลของพระพุทธเจ้าเป็นศีลคุ้มของโลกตอนี้มาโทษถึงเกี่ยวกับธรรมทีนี่ธรรมคือธรรมคาสอนแนวความคิดทางด้านจิตใจทีนี่แ น, น่นแนวความคิดทางด้านจิตใจเท่าสมาธิไหนศีล ส, สมาธินแนวความคิดทางด้านจิตใจคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไง Central, จจเป็นมิจฉาทิฏฐิทีททททนี่คิดมิจฉาทิฏฐิก็คือความคิดผิด สัมมาทิฏฐิคือความคิดถูก่คิดถูกคิดผิดคิดยังไงอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องได้รับทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบฉบับมาเป็นกระจกเงาให้กับพวกเราอีกเหมือนกันเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่เป็นพวกเรารักกรบในนับถือนั่คือเรานับถือ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้นตระกูลของพวกเราก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแต่หลวงปู่เสาท่านก็เป็นคนไม่ค่อยท่านไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ที่พวกเราได้ยินพรริกิศัพท์ชื่อเสียงของท่านจึงไม่ค่อยโดนโดดเด่นโด่งดังเหมือนกับหลวงปู่มั่นแต่หลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาแต่หลวงปู่มั่นท่านเป็นผู้มีปฏิภาณ เฉียบแปลมสั่งสอนสิทธญานุสิทธิของท่านเป็นที่ยอมรับกันเพราะนั้นหลวงปู่มั่นเป็นผู้ที่ได้ศึกษามาจากองค์หลวงปู่สารจากนั้นพระท่านก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปุงกายใจของท่านจนเป็นที่ยอมรับของคณะสิทธิานุสิทธิทั้งหลายถ้าพวกเราลูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ เ, เทศหลวงปู่หลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆหลวงปู่ล่าถ้าพูดถึงองค์หลวงปู่มั่นแล้วก็ต้องประนมมือซะก่อนให้คาว่าเคารพอย่างสุดๆว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนี้ท่านแนะนําอย่างนี้อันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นที่ แนะนำสั่งสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแต่ถึงยังไงหลวงปู่มั่นท่านสอนเรื่องวิธีการแนวความคิดเรื่องสมาธิเรื่องศีลก็เป็นของทั่วๆไปเพราะว่าอยู่ในตำรับตำราอยู่ในพระไตรปิฎกก็มีอยู่ในบุพศิกขาปหาขันสมัยก่อนนั่นต่อมาก็วินัยโมกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามนวโกวาทอันนี้คื อ, เ, อเรื่อง วินัยแต่เรื่องทำเนี่ยทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาอะทีนี้วิธีการปฏิบัติสำหรับหลวงปู่มันนี่ยนะสั่งสอนอย่างไรท่านบอกว่าให้ภาวนาคำว่าภาวนาคำนี้นะคือภาวนาพุทโธนะ หลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนแต่เรามาเปรียบเทียบกับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเองบร ม, มครูของพวกเราพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดจารุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพในวันนั้นท่านทําอย่างไรท่านบอกว่าพระพุทธองค์ได้นั่งคัดสมาธิพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินยังมีแสงสว่างอยู่ในเมื่อท่านนายโสธิยะดานํำญาคามาถวาย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 อันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปู่มั่นแนะนํากรรมฐานแล้วพวกเราจะต้องเอากรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นกระจกเงาซะก่อนพระพุทธองค์ปฏิบัติอย่างไรจากนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าพระพุทธองค์ที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นท่านนั่งขัดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรัว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยาณรัตนะเกิดฌานขึ้นมาจะว่กปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติทวนหลังได้นี่แหละคือพระพุทธเจ้าตอนหัวค่าที่ท่านระลึกชาติทนหลังได้จะบอกปุเพนิวา สาอนุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะ ป, ะปะตาตญาณพอจวนสว่างเจ้าอาสาวะข ย, ายาัญาณญาณอย่างรู้ว่าพระองค์ได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนั้นอันนี้คือพระพุทธเจ้าแต่นี้มาพูดถึงองค์หลวงปู่มั่นของเราท่านก็บอกว่าให้นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็ให กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพทหายใจออกบริกรรมโทรถ้าหากว่าไม่บริกรรมจะทำให้เผลอให้หลงลืมได้ง่าย เ, เพราะนั้นท่านจึงให้บริกรรมหายใจเข้าพทหายใจออกโทรนี่แหละคือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกคณะทาญาติโยมลูกหลานทุกคน ให้ฟังให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจากนั้นเมื่อเราพิจารณาเมื่อทําจิตใจให้สงบแล้วก็นํามาพิจารณากานกรองไตรตรองเหตุและผลเดินวิปัสสนาเห็นอันที่จังทุกขังอนัตตาโพดนั้นก็นเห็นจิตใจของตัวเองดูกายดูใจดูใจดูกายผลที่สุดก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละอันนี้ลึกหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะ ه, เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อฟังฟังดูแล้ววิทยุไอเครื่องเสียงของเราเนะี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาวะ่ะ เ, เพราะนั้นหลวงพ่อจะไม่พูดนานการกล่าวสมโภชนยิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพร ะ, ะ, ะศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองขอให้พวกเราไปสบแต่ความสุขความเจริญ ทางทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของสินธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านด้วยเธิน